สวัสดีครับพี่น้องครับนี่เสียงจากศรีบาลนนครับแต่วันนี้นะครับชีวิตพระเยซูหนึ่งรอยเจ็ดสิบตอนสิทพระเยซูพระเจ้าของพระเจ้าต่อจากเมื่อวานนี้นะครับพระธรรมลูกาบทที่สิบสี่ข้อที่ยี่สิบห้าจนถึงข้อที่สามสิบสามครับพระธรรมลูกาบทที่สิบสี่ข้อที่ยี่สิบห้าถึงข้อที่สามสามครับโปรดฟังโระเจาของพระเจ้าความเสียสละในการเป็นศิษย์ คนเป็นอันมากได้ไปกับพระองค์พระองค์ยื่นชงเหลียวหลังตรัตกับเขาว่าถ้าผู้ใดมาหาเราและไม่ชังบิดามารดาบุตรภัญญาและพี่น้องชายหญิงแม้ทั้งชีวิตของตนเองด้วยผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ผู้ใดไม่ได้แบกกลางเคนของตนตามเรามาผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้โดยว่าในพวกท่านมีผู้ใดเมื่อปรารถนาจะสร้างตึกจะไม่นั่งลงคิดราคาดูเสียขอนว่า จะมีพอสร้างให้สําเร็จได้ไหรือไม่เกรงว่าเมื่อลงรากแล้วและกระทาให้สําเร็จไม่ได้คนทั้งปวงที่เห็นจะเยาะเย้ยเขาว่าคนนี้ตั้งต้นก่อแต่ทําให้สําเร็จไม่ได้หรือมีกษัตริย์องค์ใดเมื่อจะยกกองทัพไปทํำสงครามกับกษัตริย์อื่นจะไม่ได้นั่งลงคิดดูก่อนหรือว่าที่ตนมีคนทหารหมื่นหนึ่งจะสู้กับกองทัพที่มารบสองหมื่นนั้นได้หรือไม่ถ้าสู้ไม่ได้เมื่ออยู่ห่างกัน ก็จะใช้พวกทูตไปขอเป็นไมคเตยกันก็เช่นนั้นแหละทุกคนในพวกท่านที่มิได้สละสิ่งสารพัดที่ตนมีอยู่จะเป็นสาวกของเราไม่ได้ทีนี้ครับในพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้นะครับในเฉพาะ อ, อย่างยิ่งในข้อดียี่บหครับเป็นคาถามของคนมากมายนะครับที่ได้มาถามผู้รับใช้พระเจ้าทุกยุคทุกสมัยก็ออยี่บหกล่าวว่าไงครับก็ออยี่บหกกล่าวว่าถ้าผู้ใดมาหาเราและไม่ทังบิดามารดา บุตรพันยาและที่น้องชายหญิงแม้ทั่งชีวิตของตนเองด้วยผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้พี่น้องครับคําว่าไม่ชังนะครับคำว่าไม่ชังหมายความว่าถ้าใครมาหาพระเยซูแล้วนะครับไม่ชังดิดามารดาก็จะเป็นสาวกพระเยซูไม่ได้ไม่ชังบุตรพันยาของตัวเองที่น้องชาิงตัวเองก็เป็นสาวกพระเยซูไม่ได้ไม่ชังแม้กระทั่งชีวิตของตนเองด้วยผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้เพราะผีตอนนี้เป็น สำนวนที่เรียกว่าไฮเปอร์โบเลไฮเปอร์โบเลก็คือว่าให้พูดเหมือนกับเกินนิดหนึ่งนะครับไฮเปอร์ Hyper แปลว่ามากนะครับเกินนิดหนึ่งเกินนิดหนึ่งเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะฉุดความตั้งใจฉุดความสนใจของผู้ฟังว่าออคำว่าไม่ถังแปลว่าอะไรครับแปลว่าต้องชังถูกไหครับเราติดตามพระเยซูต้องชัง บิดามารดาต้องชังดิดบุตรปัญญาต้องชังพี่น้องชายหญิงต้องชังแม้กระทั่งชุดของตนเองแท้จริงแล้วเพื่อนผีตอนนี้สามารถอธิบายได้นะครับว่าเราจะต้องรักพระเจ้ามากที่สุดนะครับคําว่าชังนี้หมายถึงการเปลี่ยนสถานภาพนะครับพูดง่ายๆก็คือเปลี่ยนความสําคัญจัดลําดับความสําคัญก่อนหลังครับเราจะเป็นติดพระเยซูเราต้องจัด ให้พระเยซูสําคัญที่สุดในชีวิตของเรานะครับแต่เดิมนั้นคนหลายคนอาจจะจับคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราบางคนอาจจะมีบุตรภรนยาเขาเป็นคนที่สําคัญเบอร์นหนึ่งนะครับจัดอันดับความสําคัญระษาอังกฤษใช้จจคำว่า prioritize นะครับ prioritize ก็คือ set priority นั่นเองก็คือตั้งว่าให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งให้พระเยซู ม, มาเป็นที่หนึ่งถึงจะเป็นคนคนนั้นถึงจะเป็นสาวกของพระเยซูได้ พี่น้องครับในข้อที่เจ็ดได้กล่าวว่าถ้าผู้ใดไม่ได oh. ้แบกกลางเขนของตนตามเรามาผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ผู้ใดไม่ได้แบกกลางเขนของตนตามเรามาผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้คำว่าแบกกางเข็นั้นหลายคนเข้าใจผิดครับนึกว่าแบกกลางเขนของพระเยซูพี่น้องครับเราไม่สามารถแบกกลางเขนของพระเยซูได้ครับเพราะกลางเข็มของพระเยซูไม่มีใครแบกได้ยกเว้นไว้แต่พระเยซูพระองค์เดียวนะครับมีพระเยซูเท่านั้นที่จะแบกกลางเขนของพระองค์ได้ เพราะว่าพระองค์ทรงแบกรับแบกบาปของคนทั้งโลกครับเราเป็นใครครับเราจะไปรับแบกทางเขนของพระเยซูเราแต่ละคนต้องรับแบกทางเขนของเราครับแบกทางเขนของตนตามพระเยซูไปผู้นั้นก็จะเป็นสาวกของพระเยซูคาว่าแบกทางเขนคืออะไรครับแบกชีวิตเดิมของตัวเองครับชีวิตเดิมของตัวเองนะครับก็คือชีวิตที่ทําผิดทาบาปชีวิตที่อ่อนแอชีวิตที่ตกอยู่ในทาตนะครับเป็นทาตของอานาจเมื่อบิณยันชั่วทั้งหลาย นะครับและชีวิตเก่าของเรานั้นจะต้องแบกตังเข็นไปและเมื่อถึงเวลาครับเราจะถูกตึงไว้กับพระเยซูนะครับตรึงไว้กับพระคิดแล้วเหมือนกับที่ท่านต่อรูปว่าข้าพเจ้าถูกตึงไว้กับพระคิดแล้วนะและชีวิตของข้าพเจ้าต่อไปนี้ไม่ใช่เป็ น, นชีวิตของข้าพเจา้าอีกต่อไปนั่นหมายก็ว่าตัวเก่าของเราครับตัวเก่าของเราชีวิตเก่าของเรานั้นจะเริ่มตายลงไปตายลงไปตายลงไปเรื่อยๆครับและชีวิตใหม่ของเราซึ่งจะบังเกิดใหม่จากพระวิญญาณนะครับ ชีวิตใหม่ที่บังเกิดใหม่จากวิญญาณนั้นก็จะค่อยๆเติบโตเติบโตขึ้นพี่น้องครับเมื่อเราเป็นสาวกพระเยซูไปนานๆเราเห็นว่าตัวเก่าของเราตายไปเยอะครับตัวเก่าของเราตายไปเยอะพี่น้องที่มีประสบการณ์กับการตายของตัวเก่าพี่น้องจะรู้ครับว่าการตายของตัวเก่าเป็นอย่างไรและการเจริญเติบโตของชีวิตใหม่ในพระวิญญาณในพระเยซูเป็นอย่างไรครับนี่คือผลที่จะพิสูจน์ว่าเราเป็นสาวกแท้ๆจริงๆของพระเยซูหรือเปล่าพี่น้องครับ พระเยซูไม่ได้เรียกร้องให้คนติดตามพระเยซูโดยที่ไม่ต้องคิดนะครับนะพี่เยซูไม่ได้เรียกร้องให้คนติดตามพระเยซูแบบงมงายครับแต่พระเยซูเชิญชวนในข้อ28ครับโดยที่พรงเปรียบเทียบว่าในพวกท่านมีผู้ใดปรารถนาจะสร้างตึกต้องนั่งลงคิดนะราทาดูเช่นก่อนใช่ไหมครับว่าจะมีเงินพอสร้างสําเร็จหรือเปล่าต้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราต้องชั่งน้ําหนัก ก่อนจะตัดสินใจทําอะไรลงไปก่อนที่เราจะตัดสินใจที่จะสมัครเป็นสาวกของพระเยซูคุณต้องชั่งน้ำหนักก่อนผมเองก็ต้องชั่งน้ำหนักครับก่อนที่จะมาเป็นผู้รับใชพ้พระเจ้าเป็นสาวกพระเยซูจริงๆชั่งน้ําหนักว่าเราคุ้มหรือไม่คุ้มครับอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องครับผมอยากจะบอกว่าในทุกๆการตัดสินใจของมนุษย์นะครับเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของคําว่าคุ้มและไม่คุ้ม แม้กระทั่งในการติดตามพระเยซูเป็นสาวกของพเปียสุด้วยเช่นเดียวกันครับในข้อยี่บแปดครับบอกว่าด้วยว่าในพวกท่านมีผู้ใดปรารถนาจะสร้างตึกจะไม่นั่งลงคิดราคาดูก่อนเสียว่าจะมีพอสร้างกันหรือปล่ามีอีกตัวอย่างหนึ่งครับพระเยซูก็ยกด้วยเหมือนกันก็คือกษัตริย์ครับการทางสงครามกับเมือง อ, อื่นๆนั้นหากว่ามีคนยกมาบุกเรานะครับเราจะต้องนั่งลงคิดว่าเราจะแต่งกองทัพไปต่อสู้ดี หรือจะแต่งทูตไปเจรจาดีเพียงครับในข้อที่สามสิบเ็ดนะครับมีกษัตริย์องคใดเมื่อจะยกกองทัพไปทาสงครามกับกษัตริย์อื่นจะมีได้นั่งลงคิดดูก่อนหรือว่าที่ตนมีพลทหารหมื่นหนึ่งจะสู้กับกองทัพที่ยกมารบสองหมื น, นั้นได้หรือเปล่าถ้าสู้ไม่ได้เมื่อยังอยู่ห่างกันก็จะใช้ทูตไปคอยไปขอเป็นไมตรีกันพียงครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องนั่งลงครับและก็ดีลูกคิดครับ พิจารณาดูว่าเราชนะหรือแพ้เราคุ้มหรือเปล่าในการติดตามพระเยซูทีนี้ครับในข้อสามสามพระเยซูบอกว่าก็เช่นนั้นแหละก็หมายว่าคือก็เป็นไปอย่างนั้นแหละครับนในการที่เราติดตามพระเยซูเป็นสาวกพระเยซูเราก็ต้องคิดว่าเราจะได้อะไรเราจะเสียอะไรทุกคนในพวกท่านที่ไม่ได้สละสิ่งสารพัดที่ตนมีอยู่จะเป็นสาวกของเราไม่ได้นี่คือคําเชิญชวนในขณะเดียวกันก็เป็นคำท้าทายครับถ้าหากว่าท่านปรารถนาที่จะ ติดตามพระเยซูเป็นสาวกแท้เป็นสาวกจริงๆของพระเยซูเราจ่ต้องนั่งลงอธิษฐานครับและขอการทรงนำจากพระเจ้าคิดพิจารณาให้ดีนะครับเราจะเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงยกย่องและเป็นผู้ที่เจ้าทรงใช้ทุกคนในพวกท่านที่ไม่ได้สละสิ่งสรรพัที่ตนันมีอยู่จะเป็นสาวกของเราไม่ได้ทีนี้ครับในช่วงเทศกาลคิดสมคบนี้ ผมอยากจะเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งครับพระไทยพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในการปรนนากตัวที่จะเป็นสาวกพระเยซูหลายหครั้งเราปรนนากตัวหลายครั้งครับเราสัญญากับพระองค์หลายครั้งแต่หลายหลาครั้งทีเดียวเราก็พลาดเราก็อ่อนแอเราก็ท้อใจแล้วก็ไปไม่ถึงแต่ช่โอกาสนะครับในวันคริสต์มวลนี้วันคริสต์มาสนี้มีอะไรที่เรานั้นยังไม่สามารถที่จะเป็นสาวกพระเยซูได้อย่างแท้จริง ขอให้เรากลับใจใหม่และสัญญากับพระองค์ครั้งหนึ่งและด้วยเวลาที่มีคุณค่าและมีความหมายนี้ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเราจะตอบสนองพระองค์อย่างถูกต้องครับในการที่เราจะนั่งลงและคิพิจารณาดูครับดูตราชีวิตของเราพิจารณาให้ควรชีวิตของเราว่าเราจะดําเนินต่อไปอย่างไรในขณะที่เราเป็นผู้เชื่อเราจะเป็นสาวกหรือไม่เราจะตายพร้อมกับพระเยซูหรือเปล่าเราจะถูกตรึงไว้กับพระคริสต์จริงๆหรือเปล่าพี่น้องครับถ้าผู้ใดไม่ได้สละสิ่งเหล่านี้ เขาจะติดตามพี่เยซูไม่ได้ขอสิ่งที่เป็นน้ำาระไทยและการทรงนำของพระเจ้าจะเกิดขึ้นกับชีวิตของพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าทุกคนอาเมน